สวัสดีครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวไปสวัสดีครับโอเคไปสวัสดีครับพอไมีิวการ์ดอบมดัเพราะ ไวยชล า, านาคาก็ว่าไวยชลายิ่สังคัยบ้าละพากันจัก อ, อกจักใจหลักธรรมวิไลยนั่นแหละคือโอศาสด า, ศาอย่าข้าบเกินเป็นอันขาดหลักธรรมหลักวิไลยคือโอศาสดาชาลวกเกินหลักธรรมวิไลยข้อใดก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไป นั่นแหละให้คิดให้ดีส่งในสัญมากบ้างนะแต่ที่ไหนให้มีศาสตาติดตัวคือหลักธรรมหลักวินัยสติเป็นผู้คุ้มครองรักษาการประฏิบัติเคื่อการเคลื่อนไหวไปมาสติในสัาขารให้พากันท้งอกจ้างใจผมไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนเพื่อน แล้เราเคยได้นำชาวสารวัล้วให้นํานั้นไปปฏิบัติตัวให้ดีใหอยู่ด้วยกันให้เป็นเหมือนเราเหรอว่าเดียวกันคําว่าทะลาะบาะแว้ขออย่าให้ดีเป็ลักลอบนะเพราะเราบัดสำระกิเนการทะละบาะแว้เป็นเรื่องกันสังสมพื้นไฟขึ้นมเผากันเป็นใชนเรื่องธรรมเป็นเรื่องของกินทั้งทมดจะให้ดีสำหรับปฏิ พิจูดเชื่อดีให้พูดกันได้แต่ที่นี้กับปา ร, ราการอยู่แล้วนี่ยพิจูดเชื่อดีจะเพื่อการได้จะมีนมามชายเรื่อที่ถิบาราใช้ไปเลยเลย <c oughs> เป็นขวบเวลาการต่งตงรางศาสนาและว่าัคคีภารจะให้การต่างคนเองไมต้องใจปฏิบัติ ก<บ>ารป <PTSD> ฏิบัติตามหลักทำหลักวิเัยของศาสนาแล้วแะคือตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาใครหาเหตุจากมีแล้วก็เรียกว่าไม่มีศาสนาติดตัวก็เป็นพระอาาถาหาที่พืนที่เกาะไม่ได้เพราะไม่หาเป็นคนเป็นพระอาาถาไปเลยสิเดียวใครเป็นผู้มีฮีโอจัปะภายใจ จิตใจสติให้เครื่อนไว้ตลอดเวลาอย่าให้เผลอสติเป็นของสักขันมากนะ <c oughs> ผลเนี่ยการปฏิบัติมาผมไปโดนหน้าบูเพื่อนก็ประกาศความดีความชั่วให้บูเพื่อนฟังอย่างชัดเจนการประพฤตปฏิบัติเราหาที่ตอกติเราไม่ได้ตลอดมาไม่มีคำ คำว่าลวกเกินด้วยไม่มีหีริโอปะไม่มีให้เอานี่เป็นหลักเกณฑ์ไปที่ไหนให้มีศาสตราติดตัวสติเป็นสําคัญมากคุ้มครองเราให้มีศาสตาติดตัวเราไปที่ไหนใหญ่เคลื่อนข้าศจากหลักธรรมหลักวิเลยการเคลื่อนข้าศัตรากธรรมวิเลยด้วยเกจตานี้ลายโกกาดมากทีเดียวอย่าให้มีได้วันนี้เป็ น, นขาดนะ นอกจากความรู้เห็นนั่นก็เป็นธรรมดาด้วยกันท่านสแสดงอาบัติถ้าแบบที่ว่าไม่มีฮีโอตปาเรียกว่าอารัตติตาใช่ไม่ได้เลยนะนถ้าตืนตนอนตนเสมอกิเลสมันอยู่กับหัวใจเราลนะัถือมันเป็นใหญ่ตลอดมันไม่ได้เป็นใหญ่กว่าธรรมละกิเลสมันเป็นใหญ่เอเ อ, เอมัน กิเลสไม่เป็นน้อยกว่าธรรมมันเป็นใหญ่กว่าธรรมอยู่ตลอดเวลาได้หัวใจของเราให้พากันละวัดระวางให้ดีการความชอบเพียงสาวกีนะะั้นล่ะเป็นความถูกต้องดี้าแล้วดังที่คเคยปฏิญาตมาผมก็ไม่เคยได้ต้องตีบู่เพื่อนสมเหตุสมผลว่าสอนบู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารด้วยล้วนผลนที่รับก็คือความสวยงามทางตา ทางหูทุกอย่างสวยางามนี่ก็ปฏิ <c oughs> บัติพาดเต็มกำลังกอสสาบาถพูดเปิดเผยให้บมู่เพื่อนฟังว่าโมพายสัยใส่บททุกอย่างแล้วในสมบุติทั้งบวชไม่มีในหัวใจขาดสาบายออกไปบทนั้นเล่าให้ฟังตั้งแต่วันที่ที่สิบห้าด้วยเลยที่สิบห้า พุทธพาคาม 2,493 นั่นละ ว, วันกิเลสขาดสวัณจากใจตั้งแต่วัดด้านมาไม่มีสมบุิใดๆเข้ามาหัวพันในกิจใจเลยนี่ก็เพราะการประพฤติธปฏิบัตินั่นแหละให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่ามีที่รับที่แจ้งให้มีที่แจ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระทําดยตัวเองรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา คนอื่นไม่รู้ก็เจ้องก็รู้คนอื่นไปเห็นเจ้าของก็เห็นอย่าให้มีที่รับที่แก้ผู้ปฏิบัติทำลองทำไม่มีที่รับที่แก้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วลนะ่ะผมมีแต่โลภใจแ่ะทุกวันเลยไม่ได้เรื่องเลยลาละเหมืนอนกอนสูงทั้งทอดล่ะอยู่กับบู ก, กับเพื่อนไปอย่างนั้นล่ะ ประคับประคองถาดขันตอนนี้ก็จะไม่ไหวละไปเลยโซโซัดโซเซดีที่ไม่ล่มเพราะพ่อสติสก mm ็เลยสติก็เรียกว่าสติอ น, นี่เป็นอัตโนวัติอยู่ในตัวเองตลอดเวลาไม่เคยเผลอละจิตถึงคันดีแล้วคําว่าเผลอไม่มี <Hey. S 1> เป็นลักธรรมชาติตายตัวนี่เราอยู่ด้วยลักธรรมชาติไี้เท่านั้นแหละ ให้บุคลากรใจปฏิบัติหลกการทะเลาะเบาแว่งกันอย่าให้มีในบัานนี่เป็ น, นขาดนะเรื่องนี้เป็นเรื่อกกิเลสเทวทัศน์เทวทัศน์จะรู้โทษขอขวาวพระพุทธเจ้าอกิเลสของเรามันรู้โทษของตัวว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเลยเทวทัศน์ไปแล้วนันอะให้ระวังตัวนีนะมันอยู่ลับๆนะกิเลสตัวเลยเทวทัศน์นี่ มันเป็นอาจารย์ของเทวทั์ไปในหัวใจของเราไม่รู้สึกตัวลนะให้นวัระวังให้ดีอยู่กับวูกับเพื่อนก็มีการเคลื่อนไหวไปมาสัมผัสสัมพัสพกับตาหูใจอยู่ตลอดให้ระวังง <c oughs> <c oughs> ัติเป็นจับการได้นะ การภาวนาเรื่องสติสําคัญมากทีเดียวใครตั้งสติได้ดีเท่าไรแล้วก็กิเลสไม่เกิดมันจะหนาแด่นบนภูเขาก็เกิดไม่ได้สติครอบไว้หมดถ้าเผลอสติไว้เลยกิเลสเกิดเกิดจากสังขารนั่นแหละสังขารคือความคิดปรุงสังขารก็ว่าจากอวิชชาปัญญาสร้างการาต่อสายยาวเหยียดไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราได้เผลอสติแล้วต่อไปเรื่อยๆ ถ้าสติมีอยู่นี่วมันจะมีเท่ า, าไรมันก็แว่เกิดที่เรศมันขึ้นอยู่กับสติควบคุมตัวเองนะให้ระวังด้วยสติสเสมอไปการประกอบความเพียรอย่าลดละนะให้แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาความเพียรเป็นสำคัญมากกีเดีย <c oughs> ให้ดูหัวใจตัวเอง ใจเลยล่ะบรรลุรีลุลนลุกดิกลูกดิกอยู่ตลอดมีสติสานั้นเป็นเครื่องควบคุมถ้าไม่มีสติแล้วก็มือนส่งทนั้งทอนแลยไม่เกิดประโยชน์อะไร อ, อันนี้ก็อยู่ก็บู่เพื่อนไปอย่างไรอยากทุกอย่างอยูอยอย่ไปหางอยู่คนเดียวนะอนนี้ใเป็นอย่างนี้มาดังเดิอยู่คนเดียวเท่านั้นลนะ ให้ใครว่ายุกไว้ได้เราอยู่คนเดีย ว, ลว <c oughs> กลา็คืนกระงดังดันภาวนา <c oughs> อยู่คนเดียวสบายสบายไม่ยุกเขาใครมีติญาติเราส่วนว่ามายุกตลอด ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาสําคัญมากสตินี่คนคะวบคุมควาเปลี่ยนของเราอย่าให้เผลอถ้าไม่เผลอสติแล้วก็ตั้งหิดได้เนยะิดไม่สงบก็สงบได้ถ้ามีสติไนดะถ้าไม่มีสติแล้วหาความสงบไม่ได้เลยสติเป็นสาคัญครอบอยู่ตลอดเวลาหิดใจสงบไดนะ้สติยิงต้องระวังอยู่ตลอดไม่เผลอ อันวอสติสมัตปัตถิยาสติจาต้องปราศนาในที่้ักบัวหรือไว้ข้อยกเว้นเลยต้องระวีสติอยู่ตลอดเอาละทีเดียเอกพากาัรรนกลับละนะพอเอละละผมอะไรไม่ได้ละนั่งกับหัวตเดียวเล้ากันเอาเล้วกันเด็ดจ้าเด็ดจ้าเอาละละ ได้ก็ไปด้ยดีสว่างเลยนะสว่างแล้วครับเอาเอาสว่างแล้วเพื่อนผ้าที่ออกไปได้แล้วถ้าสว่างแล้วเอาเอาออกได้ดีวัดีวัดดีวดขอบเอาไปบดเลยครับเอาไปบดเลยอยู่ไปอยู่ไปอย่ไปเดี๋ยงเดี๋ยวเดี๋ยว เออเออเอเออเอเอามันทำภาษาอเออเอาาอกา that <laughs>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 น a มอุตสาบาตวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะลกกระบหอยหกกจ้วาะทวา อะไรกอะไรบุคคลสมันี้มีอะไระไ้ทำด้ ภูวะอิธังภูปกิจังตาสะบังหงโมติตันผ้านาสมะจันนจตตาปริปุชะัจอาสนะปัญญะนัจปาิยปริโนิยทาปนันจันดารหานังินังชันดาหรนัจเตัเยวะอากาศะปวารณา낭ปวารณาิอาหารนัจอุานัจภิกุกนนภิกุีนโมวาโดจารตาุิเยสุตุสุกิเจสุปรุกิจัง อิดาณิสุริยาโรกัสสิจานยานติอัปราณิติฤทธิคู่นางวัตังยานันเตหิภิกขุหิกตาณปาริสิกาณิหนเตขันดาหารนาปวารนาหารั a นันตนอิมิสังอภัสสีมายังหัตถะปะสร้างวิจิตรวาณิสินานังภิกขุนาอภาวโตนตรีภูตุฆ่านางนามะเอตกางอสิกันตัเอตกางอวสสทันติเอวอุตุอสิทนาง กูตนีถะปนาซาสน่ห์เฮมันตะกินวะซานานาวาเต้ะเต้ไม่หนเตอยงวาซาโนโตอมัสมนจากอุดุหิตจากอุปสรราเอกาจากปวรุนาอินาภะเนอาปรุณาคำประกาปัญจาอุปสรราสิกัรตาสเดอปสรรอาวสิทาอีกีเอวังสะเบอยสุนตกูกันะ ฮิกข <unlucky S 2> ุขุขานังฮารีทับบางเวันิกุะนิงวารเกวารชายสนิทิาิกูเอตาิิกนั้นคณะนัีมาสนวารเกสัตตปัญญาสิูสนหุ่นเตยตสอาญาตุนเตยิกุะนิาเวังเวันเ ดิพุนีนมวะด๊ปะนาอิดานิตาสังนัติทัยนาสิกิสิกะระโนคัสานังคุปปิจังนังกัตตตานิกรโนกาสสานังคุปปิจังนังปะกาติยาปะวรนิติสตาเอวันสังวะอิทังคุปปิจังปะเรนิติจังโหตินิสิเจชกุปปชิเจสิเจโสดิวโสจัตุรสีปนารสีสัมกีนมะยะะโรยสชาจะปวารณาปนารสี ยาวัดที่การจะ a ิกุกขมาพัฒนาสังฆะปวารณารหะปัญจวัตถ a วั r สิเรขาปัญจวัตถุสาราิขังงาปนาสังห์เหนวานุกิตาแต่เจ้หตถะสังอาจิตว่เอสมายงตาตสัจะวิาชนาิวะเสวตสุภกติยเจนวิจันติแตสั่จะหตเสหตสจโทไหิครนวะเตสมโิาปุโรจิน เอวตังพวารนากรรมเมหิจตุหิลัคนิหิสั่งหัฏากะลังนมโหติการปังวาราสะะกระังิิวอิดานิการิยะมะนาวาราสังนะอะนุาเนตัมั a s sa bhagavato arahato samma s a m m s <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมมาสมัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมมาสมบูชัสสะสุนารุเมผันเตสังโฆอาเจปวารณาปนาัยียะดสังปะะกัณลังสังโฆสมานุสิตังปวารียะสุนารุเมผันเตสังโฆ อาเจวารณปัญญาละที่ยากิสังขัสสะปะจักะลังสังโฆสมานุสิกังปวารยะุาุเอภันเตสังโฆอปวารณปัยกิสังัสสะปะกะลังสังโฆสมานสิกังปวารยะเาับปวาราเสร็จแล้ว คุกเขาเดี๋ยวเราคุกเขาแล้วกันเขาลุกขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสังขังอุโสบัวสังขังอุโสบเรนี่เขาว่าว่าดับโมพราะว่ดับโม นาโมทัสสะพระกัลตวัชรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะพระกัลตวัชรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะะตวัชรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะอลัังัง สร้างขางอาวุโสเผวาริมิเนวาริมิสรงขางอาวุโสสร้างอาวุโสเผวาริมินิเทนวะสุเตนวะปิสรกาญวะวัดันตุวังอายัสมะโตเนอะกำปังเนุกำปังอุปายะอรุกำปังอุปายะปัจันโตปะเตกันิสา สังขังดูดมปีมปเอาสงขังกเอาโสังสังขังเอาโวาริเทวะสุเวะายวะวุวสัโตกัมอกัมปาายะกัมาปาายะปััโตปฏิริสา สังขาราวสุปวารีนิเทธวะสุเทธวะวันิสังขายวะวันัตุวังไห้สมันโตอรุกังอุปารายปัจจโตปะเกริสสาหุสังคบันเทปวารีมีเทนวะสุเทวะปะปิสังขายวะ วัดันตุมังยัสแมนโตอนุกัมพั r i พาไดยะพัฒนโตภา a ิกาลิสาเมย์บันเทยังคังพวาริมีเดเทนวะสุเทนวะภาริสังขายาวะวัดันตุมังยัสแมนโตอนุ p ัมพังุ a ายะพัฒนโตภาิกาลิสาเมย์แทดีอัมพเทยังคังวารมีเดเทนวะสุเทนวภาริสังขยวะ วัดันตุมังอายะสมันท a ันุกรรม a ังอุป a ฏฐายะ p ัสสันโตภะติการิสัมมิสัตว์สังขมันเตปวารีมีดิเชนาวัสุเตนาวาภาริสังขะยวะวัดันตุมังอายะสมันทวนุกรรมังอุปัฏยะพัสันโตภะติการิสัมิลุดิยัมปิภันเตสังขังปวารีมี นิเทนวาสุเทนวาปริสังกายวาวดันตุมังอายสัมโตอนุก <Question. S 1> ัมปัง <smoking>. อ <complete. S 1> ุปาดายปสันโตปติการิสัมิตัติยัมปิคันเตสังคังปวารมินิเทนวาสุเทนวาปริสังกายวาวดันตุมังอายสัมโตอนุกัมปังอุปาดายปสันโตปติกริสมิสาธุ ผมยังใจอยูอบอยู่กับผม